ตอร่องเท่าตอพระาตของเจ้าเป็นประเทศเอริยสักทีทุกสมุทัยนโหลดมากเทิดถูกเทิดท่านกถาทีปธาเทิดเรื่องสวรรค์เด็กผลสินผลท่าเทิดเรื่องออกจากกรรมอม่อนกสองลายเมื่อท่านโดนเขาเี่ยพระรหัสของดอกบัวมันมันตูมแล้ว ยิบบาทนะ่ะถ้าถูกแชีงแก่เป็กบาลนั่นเนี่ยเชีงพระอาทิตย์หรืออากาศน่ะนันชาวบารมีมา น, า น, นะมนั่น่ะนผู้ใดมันบารมีแก้กล้ามาเลยมันบอก้อนใจในวัฏสงสารหอกตืน๊บๆๆอยู่น่อยเฮจังไหปูจังสด็กินรายเฮ้ยจังไหปูจังเสด็นอนรายเฮ้ยจังไหนกูจังเสด็จนี่เงินหลายแคงกับโมูนอสัน ยัางมาท่นเมนย่งมาแล้วมีย่งสางอ่อนอยู่รีบสางหัวใก็มันอ่อนแล้วที่อ่อนน้ำมันกับอะไรเหรรีบสางเขาเนี่อ่อนกับเป็นหลองเป็นผู้เฮ็ดอ่อนแขงกัเป็นหลองเป็นผู้เฮ็ดแขงนี่ไม่เปนเรื่องสั่นอยู่แล้รีบสางเขาว่าลนี่ทาไมมันเฉื่อยด้วยการบริจาคทานีไมมันเฉื่อยด้วยการทำศาสีาภาวนาทำมันเฉืยดยการเจริญภาวนาบุพีเงินเฉเอายังมาทางบุญเลย บุญก็ได้หาว่าถึงเจงิ้นภายนอกนี่เงินภายในก็มีอยู่ทรัพย์ภายในทรัพย์ท่าทรัพย์สิ่งเสือ่อที่ควรเสื่อไม่พอเพื่อพระธรรมพระสงฆ์ศีลก็เป็นทรัพย์คุ้มหนึง่งศีลหานี่ก็เป็นทรัพยาา์ ค, คุ้มหนึ่งคุ้มละอายเจ้าบาปก็เป็นทรัพย์คุ้มหนึ่งกลัวตจ้ า, าบาปก็เป็นทรัพย์คุ้มหนึ่งเช่นกันคค่อยอย่างนเนี่ยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นทรัพย์คุ้มหนึ่ง ควมภายท่านเขาเลยฮะพักเจ็ด น, นึงกเป็นทรัพย์คุ้มหนึ่งปัญญาหล่อรูทิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็เป็นประโยชน์และยงังยิบที่ภายในท่านก็เป็นทรัพย์คุ้มหึ่อริยาทรัพย์เจ็ดนี้ดีกว่าเงินทองภายนอกจงเสแวงหาใหา้หมีในชั้นดาลอริยทรัพย์เจ็ดทุ่งเหน็บเป็นโลกพุตธละเด้เหมือนเป็นโลกที้โรคหนาวกับว่าหายลกโรคไตกับว่ารอดและมีเนี่ยทดสอบออนนยมมือเก่าท่านนี่สมมตินี่ ธสันทิทโกนมันเห็นเองสุขคนล่ะสันทิทิโกนบุคคลผู้บรรลุเห็นเองผู้ไม่บรรลุก็เห็นเองเหมือนกันห้องเรือสายวัตถุเจ้าห้างหจักรลนี่ยห้อมเดลสายห้างหจักเนี่เจ้าหจักรองรแค่ั้นห้องเรือสายคาได้ห้กย่งหู่จักรกลเนี่ะาเป็นพระญาณหบองห้องโมสายคาดหกบหุจักนี่ห้องยินดีในทาทุกข์นะว่าตาสงสารเทอหงกยางจักย เข้าโบว์ยืนดีเข้ากยองหงักเข้ายืนดี่ครจะมาเป็นพระยาในเขาเดี๋ยวก่าในสันะธรรมเนี่ว่าเขาขเบียดเบียนเพื่อนบอขึ้นจักขายจะแกงเพื่อนบอเข้ากองหจักด้วยเขาบัตคิดเขากงหงจักด้วยหวังฝนทุกเนีว่าแจ้งสงสารบ่หรือบ่หวังอยู่ตามก้องหุที่มากันกล้วยกูโมเลนมึกับพไปเข้าก้องหงจักเข้าอยู่ นักทีโลเกและหัวนามั้งก้มลับมันทีมีในโลกท้างในหนมือนกับบ่มีเลยก้มรับบ่มีในโลกโลกคือคิดใจห้องนั่นเขาพี่านณาทุกเป็นอารมณ์ของอารมณ์ให้ใจเขาออ ก, ขกเอก ข, กงไงกไไกขาเนนเเปไปเห็นรอบโลกคือกันถือว่ายังไงโลกมันติไปด้วยทุกเขาเห็นพวเกิดเป็นทุกไปเห็นรอบโลกคือกันเห็นพวกแกเป็นทุกเขาไปเห็นรอบโลกคือกันเสมอใาของไส้เลย เห็นควมตายเป็นทุกข์เขาก็เห็นรอบโลกขึ้นกันแล้มันเนี่ยสิบูสิบหอไปเบิ่งพ็พุทธเจ้าก็นั่งอยู่โฮมพ่โฮมเดียวสนะซึ่งควบสงสัยโล่โบกขบขึ้นมันเห็นชัดกระตัดควมสงสัยกันมันเห็นบ่าัมันขบจะคล้องขึ้นมันเห็นน้าสัญญาแล้วเคยจามาเขามันเห็นชัดัในพาวนาล่ะเหตัใดมันจึงขบขึ้นเขามันขบขึ้นเป็นไทยทีพ้นทุกขได้ไอ้บอกของแสนอรรถว่าขอจะไปพระนิพพานเละ กูอาข้อนว่าแนวแขังพเจ้าขงเท้ามาเป็นพระเจ้าเพราะว่ากระเจงนขันเทาเอาผู้ขนาเท้ามาเป็นอย่างยงนี่เนี้าสิบตัวเขาเป็นจากพันเทื่อของหาเทาพระพุทธเจ้ามาเป็นอย่างยางป่านแันตมาเป็นอย่างยาปานคนยังบดีต่อเพลินช่วเอา้นพวกป่านเท้ามาเป็นอย่างงนี่มอเ้าเปทนเช่นตเขาเปจากพันเื่อแม่นบอกว่านี่อืน่ ผูมีปัญญายอมเลื่อมสในสิ่งท really ี่ควรยือมสยอมเลื่อมสในสิ่งที Docker ่ควรเลื่อมสายอมปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติยอมปฏิบัติในสิ่งที่ควรมปฏิบัติยอมับถือในสิ่งที่ควรับถือยอมนับถือในสิ่งที่ควรมนับถือยอมยินดีในสิ่งที่ควรยินดียอมยินดีในสิ่งที่ควรยินดีมี่ข้หมายอันเดียวกันทั้งณะจิตเข็นในวสงสารคณะคิตเดียวยิงดีก็เห็นเพื่อนในวัตสงสารลานล้านณะิตเลื่อยอยโกตติ้วเสืติวุ นี่อันนี้สงฆ์หายนี่อันนี้สงฆ์ติดต่อสู่ควบงงูจาของเด็กขามโลกอะขามควบหลงจากของนี่แหละขามกี่เด็กขามควบหลงจากของตอนนั้นมันมีปัญญาขึ้นมาควบงูตอนนั้นมันก็นหายไปมันบเกขบกขึ้นในทางโลกภูตระในทางโลกกีบอกบ่ถือปัญญาหากินหาขี่หาไถหาซอยบอกบอก็ถือกัน แ ล, ว, แ ล, ว, ว, เ ว, แลวเราดวยเพอแต่แม่เพือเาบอกว่าถือเป็นบนอนอนอริเนนน์ใจว่าเป็นที่พึงของใจสฮียพีตัวได้ว่าเป็นที่พึงอัตถิหิงอัตนโนนาโทตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึงของใจนอกจากใจว่ามีอันไหนสิมาเบียดเบียนใจใจมีคู่นเป็นมหาหันไม่โทษเป็นอนั่น แต่ไปทั้งผิดตุกับผิตามเหตุผลที่ท้หน่อยและทำมากไปใส่ไปทั้งถือตุก็เป็นถือตามเหตุผลมันเหตุก็ผลเมื่อยู่ห่างกันพ่อเก้าเหตุรับตาผลก็มืดเหตุมืดตาผลก็เห็นหุูนั่นเมื่อเหตุก็ผลอมัดก็ผลกส่งเคาะกันเท่าไรเหตุพืชกรรมผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมสงเคาะกันเท่าไรต้อนไปทั้งเีตุทั้งชัวแล้วแต่กจะได้เหตุเป็นประวัติการห้าไปทั้งชัวร์หาเหตุไปทั้งตัวร์เห คนขวบส่วบุปส่มันก็นได้รับเขาหลงรับตาบางสั่นผของควบมืดมันกับบุปสมันกันยังได้รับนี่เขาลงมืตาบางูปั่นผลของควเมียนูบุปะส่ก็ได้รับพึ่กันง่ามหาจะปรารถนาเนี่ยขอสางให้สางเหตุแนดีอภจะามกทุกประเภทจเป็นเหตุช่างชีพหายผมมีสารอุทธรนักเลงงนักเลงานักเเรื่องการพนันคบคนที่อไปมีเก็บท่านทำงานในทางที่ อยู่หนาอเชื่อควาคืนเช่อดูกันเล่นเล่นการพนั้นพบคนชั่วเป็นมิตรอยู่หน้ามอมีโซ่ถกผู้หวังเจริญในพระกษัตริย์จงเล่นเหตุเครื่องคิหายเหล่านี้เสียเครื่องคิหายเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวโลกไม่ควรประกอบเลยนั่นไพรเสสมสอนไปใช้มาดีก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ไหนองค์ไหนมากออกมาสอนอันเดียวกันบัดบได้มาคางแข่งดีแข่งเรีนกัน องงองข้าอรรถว่านซุกเนี่ ย, ถ, ยถ้าปัญหามัดสุกคนกบเขียดเม่เราต้องการกบเขียดกับฮักซืดจาของที่สุดผู้ตัวสโมสุสโมสรเนี่ยน่างกลายไปมันกระโดดลงหน้าุณฮักซืตเห็นสั้น ชือขา้าวบตัวป่าหน้าย้องมีพาอะามันเกิดมาสำหรับข้ากิน่นมันไม่ได้เขียนเส้นหนาภาคไว้ด้เขาม่กินไดไรให้เขาบอกห้องตัววันเราผู้ละครเพราะว่าพวกกินซัดกินเนื้อน่ะมันพวกขี่หดสามานนคะครับพวกกินผักกิแล้วมันพวกเม็ดตาครัพบพระพุทธเจ้าบรรยัติดีเลยของประเทศกัติ ไปขอพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าพระเทวราตผู้ใดสนุ่งห่มผ้าบางสกุลแข่งห้องห่มมือตายห่อนมือตายพระองค์เก่าเอ้ยพระน้อยขอพรผู้ใดสืสอนพระแท่นพระองค์เก่าดอกให้พระองค์เก่ายุ่สบายสบายข้าวมาสั่งพรน้อยพระน้อยสิบริหารเองพระให้้พระองค์เก่ายุ่สบายสบาย เาตได้ขันผู้ใดสั้นเนื้อสอั้นปลาเป็นยักษ์เนโขเป็ น, ปนาหายไปขันเพราันมีจะหอดมือตายอพ้ใดเขายุกไก่บ้านแน่ไปเดินทางเมื่อไรต้องออกอยุไก่ยี่ยสิ้เต่งกวว็ อ, อร่อยสั่งนะสั่อ่าตัวอร่อยครับ คาทานุถึงข้าววันจาเป็นห้ากับบางทีห้ากับตครับ น, นี่เรืองล่าสร้างหมองเอามเหื่อยไป้างงเนัวก็ถึ ง, งข้าจําเป็นมากถึงข้าวจำเป็นเดินข้างไปมากห้อ ง, งห้องครับเกิดแต่ร่าห้องตัวเลยเป็นเสมาหกิจท่ขของเ้าไมาเมื่ท่านเหมือนตัพราะพระพุทธเจ้ายุคนึงลูกนึงก็งงตตองสแสด ง, งถ้ามาเทศนาจนถึงวันตรัสตเยสุมา เขาให้ห่าอยู sword. Sword ่คือตุ๊กตาเนี่เขาบ่กเอาแล้วมันโมจิตของตู่ด้วย่ี้จิตของตู่มีหน้าที่ันี้ตัวการ์ตูนห้างที่ว่าตัวนี้มาตั้งรับสอนอาสาคือมาเป็นศาสตาเทศห่าตัวไรื่องบาลมีมไม่จะศสตจะพบตัวเจ้าสมมาเป็นพระพุทธเจ้ามันเ็บฐนะ้องตู่ด้อย่างงี้บวชบวงก็อวนมือวนมือวนเ็กน้อยอวนเพาะพุมบวชไม่พระเฮนดีก็เล่ากันไป พสมดมาไปยักษีหวอนีรไปน้ำฝนที่หาร้อยองค์นไปน้ำ้นเ้วยไ่ได้โูกขนาสาุบด้วยสัมตไปออามาเนาะไไปแงะออกมาเอาขึ้นมาซะพวกน้มฆกยักีหวอินทร์ยังได้ว้มบวเลว่ามันตัดแก่พราะโมฆะเขามาตัวเอาเล็กน้อยไปว้สัม่โมฆะในอบรมมียังพวกนั้นพวานั้นนัน่เป็นโทษต่พวกนั้นพอถะถือหล่อโทษทัางหลายนี้นะเทวชัตมเที่ไปให้ไปเอามา ก็เลหมกคณะอ า, าสาเรืุ่งกเลยไปเอาม้ากับเบียดเบียนพระพุทธเจ้าคืนไปพูดเขาคิดจะกูดก็ไปกึงก้อนหินลงมาถึงมาทับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตายแล้วสืเป็น พ, พระพุทธเจ้าแท่งพระพุทธเจ้าได้ที่นะาโอพระเทดาถึงเบียดเบียนเลามากั้งแต่พุ่งสังแตศาสตร์เป็นพวกข่าค้ายบกัด มันยังนํามาอีกจวนแต่ว่าพระเทวทันสร้างบารมีมาแล้วออสองอสงไขยแล้วยังต่แสนมากรับกับจะเป็นพระปฏิเสพระเทวทัตจะเป็นพระปฏิเสธเนอนาคตแกต้องเป็นมา้าเด็ดกันขันว่มีภูมเป็นมา้านแครงพระองค์เจ้าขัน่าองเจ้าพราะองค์เจ้าดีคือไ้ยังกันขัน่มันว่มีขี่มาคัด คัดกับดอกไม้เห้ากับวงแจ๊กกับดอกไม้หอมแมนบอกถึงก็สั่นเถอะมันกับพี่มาสั่นเล็กิดว่าเลยยิ่งว่ายิ่ว่าเนี่ยเอ้ยเอามาเอามามาสักพระสนุกโอ้กึ่งิีหีมาใช่พระองค์พระองค์มันว่านะพระองค์เข้าใจพ้อต้องเสีหายด้ใจพระเทวดาทั งึงมาต่อเขาิตเอาปีครับจัรพดเพราะไเเ ท, รเทวราดแ้าเ็ดให้ถือกระได้ก็พระเจ้านึ่มไม่อย่างที่ทเห็ดเพาให้ถือกรได้ยยสมอน้นสีหอบอนก้อนสีหินอันเทวรากึ่งลงมาวดขมหาสมุทรทเลขขกกไดก็แ่ล้ ว, วห่ามะเห็ดเอาปีไปครับเพราะห้ไรใจแล้ว เนดีตดีนครับเลยตีนพระองค์เจ wow. ้าเล่ห่อเล์ก okay. ูม ah ่านพัดเขเล่อ์อาอยามมาไก็เล่หหายทนั้นจึงตั้งไว้แน่นั้นเจตนากรรมหามาทุกข่าฆ่ามันดาฤทธุกข่าฆ่ามิดาอรหันตุข้าฆ่าพราหมณโลหิตุบาตทำลายของพระพุทธเจ้าถึงยังกระโลหิตใ่ห้องขึ้นมไปทั้งอาเภยยังรงไม่แตกจากกันอัญญสัตทุเทศถือศาสนดาอื่นเพิ่มมานั่นเจตกากรรมฮกสุดอีก ซื้อัาสตราอื่นกับวศามารถสิ์ได้มาคนุณในป่านนี้ปัจจุบันนา้ารับเดี๋ยวพ่อเป็นนิสัยอย่างได้ยุบเมื่อเวลาเพิ่อก็เอาพระเทวทัตขึ้นมาพระเทวทัตบวยเนี่ยองนึงเครียดยไร่ต้องยินถีพระเทวทัตมัน <c oughs> เป็นพระมีกิเลสอย่างนะ ห้ามว่าห้ามว่าห้ามว่าห้จะเตียงมากป่วยมาป่วยเสียวตัด่ยเพระพระสมัญมาแล้วก็ป่วยเลยจะคข่ิดจัดฟองหรือว่าเคาะเข้ามาทุ่ทงเกมามาหอดบนค่นางบดาพระสมัญห้ามาห้าะเตียงว่าปักงไนี่จะกันเถื่อนหิ้วน้ำแค่นู่นไปหันน้าของกองมาหันน้าแม่บกคลนี่ เอาเตียงว่างไว้เพื่อถ้ามันเลี้ยวเึินมาลุกลงไปลุกลงไปลุกลงไปไม่ต่อนซ่อ น, นยังจะฆ้ า, า, าระวังขี้ดดโอ้ยอพอโมซ่ า, าพ่อองค์เก่ า, าเนื้อเส้นผู้ขาดพิสแล้วว่าจะเปิดกระเป๋าทุ่มยังไม่ค่อในกระเปาแผ่นดินเ น, น, นี่ยเอาผู้ขาดเยอะมากแต่ว่าเผ่นดินเนี่ยที่นี่ในประเทศเพียเขาเจะไปเห็นมันเป็นลุกโกบโอบโตัวเนี่ยจะไปเห็น เราไปเห็นมือเห็นบ่าไะไหรอกมันตายยันมันตายอะไรเาสวนปล่อยอยู่เขาไได้ปล่อยอย่กรและพ้นของกรรมมันมีอยู่ทาดีดีทำชั่วดีชั่วไอ้ดีอย่าของเห็นกับศาส์อยู่ไรเนี่ยหระในศาสตร์เห็นอะไรเนวอยู่ตอนไห้ทาดีก็เห็นตอนนี้ทำชั่วมันกันําม้าอยู่เือกำเห็นกับสาส์เลยท่านอธิบายว่าเกิดเนี่ยก็บพระทุดเอาที่สำนักพรพ่อนะ ภ่อาหน้าอ้าน่นั่นพาห น, น้าอ้า น, นี่สิร่่มท่านร่่มสิร่่มพาะร่่มบุญทั้งหลายลงไปยุพ่อาหน้าเนี่ยบ้างผู้ใดสะดวกพุทธทูปเอาพุทธทผรรออออูผู้ใดสะดวกร่่มหายใจเขาออกเอาร่่มหายใจเขาออกผู้ใดสะดวกพี่ยีหน้าเมตต า, าเอาพี่หน้าเมตตาให้ตนนักทุเอญจิตชุกจูนจังมุมีเวนี้ไพ่จิตใจจะงมืเกิดโทษสาง่ายออื ผู้ไดสิเจเลอร์ในนี้จังทุกครั้งอนัตตาเข้ามัาหมันบะเทียงให้เอาเป็นลําเป็นฉันว่าขันมันมีเครื่องดูมีอาหารของกิจอยู่อาหารของกายกเขาหน้าพวกชนะอาหารทีนุ่น ม, อมอ้อนหมุงกายสกปกก็อาบนา้ำใจสกปกเสีย อ, อยัางไปอาบมันกันว่เอาท่านชินพ่อน้าบอก็กไปล้างมันไปอาบเหมันกับมะเกีลเนื้ออื่นไม่ไดเพิ่มสกปกไปกกเรื่อยคิดใจ หัวคว้ยหัวคดคิวล้อมมันก็อยู่หัวคดเนี่ยบะมีบะมีบนอยู่ก็ เ, เอาถ้ำพระองค์เจ้าเป็นเครื่องล้อมเห็นว่ามีบาปมีบุญอันนั้นนะเป็นห่วเป็นห้วรล้อมเจ้าของลหละมันก็ดิ็พระแง่สร้างตั้งแต่ทํ้ทั้งบุญทั้งดีว่าทั้งซัวมันยายามสิ็นพญาแงสร้างอันนั้นแหะเป็นห่วง จึงเป็นที่ตั้งแห่งบำการบำเพ็ญบุญเยี่ยบนกิยาวัตถุโดยพิเศดารมีทริปอย่างหนึ่งทานน้ำยบนสำเร็จด้วยการบริจาคทานสองศีลน้ำใบนสำเร็จด้วยการรักษาศีลสามภาวนาใจบนสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาสี่ปภิจายณน้ำใจบนสำเร็จด้วยการประพฤติถอบตนแจกผู้ใหญ่ห้ายิญญาณเจริญบนสำเร็จด้วยการเสื้อคลอคล้อยในกิจที่ชอบหกปฏิทานน้ำยบนสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญถ้าบุญแล้วอุทิศฮเดี๋ยวปฏิทานน้ำใ อุทิศทรัพย์สทั้งหลายาตัวใจดูกราตเขาที่ได้รับบ่ญได้รับก็สร่างถ้าอุทิศไหรดหนาที่ห้องห้อยคือผล น, นี่ลหละพระิตตรงเอาบุตรงเอ า, รเอาสร้างถึงยับตกักระตกต ก, ตกหลงสัตย์ธรรมะสัมมาสมาบุญเฉลี่ยด้วยการฟังธรรมนี่เป็นบุญกองนึ ง, งธรรมเทสนาไมบุญเฉลด้วยการแสดงธรรม ทิฏุชุกรมการทาความเห็นให้ตรงว่ามีบาปมีบุญมีคุณมีโทษมีเป็นบุญกองหนึ่งบุญมุนีเข้าสางเวยอยู่เนบมญเงินระจตาเขากระงเวยอยู่คนละคนผมว่าโอ้ยกูพอมีเนี่ยกินเนียท่านน้เพินเพราะว่ากชังหมาเจ้าจุศเมื่อีเจ้ากินหย่งเจ้ากินข้าวข้าวเกลือเจ้าเอาเอข้ากขเกลือนวาไปท่านสร้างว่า เจ้าหาเขามาเลปัดหนึ่งเจ้าแบลวไปแทบบาทเม็ดนึงเมื่อใ้บอกตามบอกเถอะคือหลวงปู่มาในเทศเรื่อยอยู่พระเน้นเน้นกายมากมันคนณทางเหมือนสันนิพักธเนี่ยเอ้เน้นมันสันนิพัทธ์ติ๋วเด้อโอ้ยเนื้อเนืยว่าสันมูเจา้าสันสันมาหอดวัดหลักทิศเอาบุญบาเปลยนเป็นปของอุดอึดบุญว่าสัน เป็น f a c i o ไม่ได้มเจ้าบ่มีประตาเจ้าไปเก็บพระแทบาทพระงนันเ็นหรอกนั่นเองบอกพูอยู่ในวัดนี่ยมันโลนถิมอยู่หเนี่ยพวกนี้สิค้าเอามาใท่บาททพระเข้าอยู่ับน้องเื่นนี่น้องเลี้ยงกูมาูมาหาบเลยวลอกหลอกดเกย่านี่น อันตะคูงอ mm ่ะมันโรนถิ่นนี่มันชิบโรนเช่ากอนแก้าวอนมันิบะเรศียคอวสันเปิ่างเอาบุญเขาเกิดเขอื้อตัวสัตวเปิดร่าไปเห็นเครื่องแก้วเครื่องถวยเครื่องหายยันน้ำคนถอคนท่างหูหลวปู่ใหม่มันชิบดตีนก้อนก้มจิ๊บกัดกได้ชิชิองแท้าสัตว์ตัวหนาบริสิเต้สัตว ระวังมือเท่าได้ดีไปเดินเลนั่งในบ้านห้างว่างในขบานคำเมื่อในขบานคำเมื่อห้องยึบออกป่วอย่างนี้ตงๆห้องยมานบุ่มอื่นๆอืมเห็ดเผือมาผนในผ้ามบเลยใตรวดไปงานน้ำาขงหัจ๊ะใส่ต้องกันผู้ไปทังโค้งท้งแกบมันทางพราสิรัตัวนี่ได้มันไม่ไปดอกมันท่าแล้วทำแต่โค้งโค้คนพาวนาคือไก่อสักตัว แล้วผูมมารทมันไปทั้งโค้งผลางพ่อตลาดไม่บราณอันนี้ปตานีกวาจักอบราณผูมันที่พ่อหน้าละเอียดโบราณอันมันกระดดลเอียดประโยชน์ขุดประโยชน์พี่ดอกใสแด้วยเกี่ยงผูมือนั่ น, น, นพ่อหน้ากัานรวบพันรวบนี่กระตูม น, นันแหนละไว้ใส่โบราณละเอียดใส่ มันด้ทีแรกผมเลือดพ่อี่ยก็ยุบพ่อเ่ยแต่สิบ่มเล้เราเราอ่ออยังเงแบมู่้ก็เพลนเฮ็ดของก็ล็อปูหมันก็ล็อกปูมหาญปัญญาอันวิซ่ามม่ได้ใช่หเฮ็ดซั่นห่อยคดเฮ็ดไทยดีก็นี่ก็ได้อยู่แต่วางขีขาดนะจังมันหมถือกรเพลินผมวิซ่าจะของไม่ซั่ไรไหนเฮ็ดซั่นเล้วแผ่านเพอนดีเฮ็ดของนั่นก็ล็อปูมหาญเฮ็ดของฝ่ายนอกล็ปูหมันเท่กันเฮ็ดไทดีด้วย คอนเทนใ์ใดีได้ครัดให้เล็้วอีกกลว่มแต่ยอันบาดน้อยเดียวนยยี่ไปเทปทั้งคุยกันยังสียอะไรเลถึงเทปภาษาลากรึเปล่าเทปเป้่าเมี่ยนไปบาดน้วยหนึ่งตัวโมงนึ่งกั บ, บ่มเล้วในบ่ออยู่นะเพื่นบ่อดลูกปูมหาลูกปูมันคือกันน้ำรับน้ำ น, ำนอยมาก <c oughs> <c oughs> อยู่บานหมวยใไ้ ท่านก่อตมดบอกเลสำนักวันตัวพุทธมาอยูันนั่นด้คะแนยอะงานตัวคำวันข้านั่นตัคำมาตีซี่เป็นอย่งจังบุรุษกว่าสัปบานเอาเลยได้บานเป็นจังบุรุษนักปฏิบัติเสด็จสัม นอนเดี๋ยวเข้ากับบาวาครับุณแม่ย่อนอนน้นเลยทั้งเนี้ยมันขนอนคันรับทีทุ่มนี่ตอกตีสามมันตอกลุกตีประทาหลวงปู่มัมขนขันรับจนไดหัวครับสามทุ่มตองตีสององลุกตี่ระท่าหลวงปู่มันต้องหลวงปู่มงังาอันเดียวเงินไว้จะเก็บป้วย ขันรับพกทุ่มสือเสือนี่ยพ่อกระวา่จาจะส่วหัเลยเป็นเท่าบาทนล่แหละแก่ขวาดเขาลูกับรองปูเหมี่ยกับรองปูมหามิปัญญาตัวมวลคือเป็นของมวล ปนเทศแังแห่คือเป็นของมวลรถทะลุกขั้งเทศอันเทศผู้นึงแล้วก็แรียกวัดวัดละ่ะเรให้จับมาจับผู้นั้นมาเทศหรือไม่ได้อันนี้เทศผู้นึงก็เรียกว่าแล้วกวัดวัดลดในทั้งดีคือการในทางซัวคือใส่เทศ่วนร่วมก็มีจับมาเทศก็มีเดือนหนึง่งเนใส่พระ ก, กอพระ ก, กอไปฝนถ่นา้เนี่ยบอกคือขึ้น ของพวกเขา่องนีบอกด้วยไปส้นฝนฝ่ายเขาได้เรื่อมาเหร่านเอาเรื่องให้ท่านพรตะเวนบายผู้เฒ่าโอของมากข้าฝน่ะบอกว่าท่นน้องว่าท่านผู้เฒ่าห้าใหว่าั่านเทพโตว่าฝนกับเป็นยังจังบวให้ผู้อื่นฝนเปียงจังหวบอกไม่เป็นอาวัตทุกปบุภูกับบอกใช่ไหมยกผู้ใหญ่ เออเทเรลร่บุมามันคงยังไงเนี้น้นเน้นกองจะเอาแรงมากไปใส่ต่อนาไปใส่เน้อื่นอีกเอาอีกลับันเสียมันเลยนีาะบว ท, ทุกกฎแล้วพวินายไม่อยู่ใส่ผู้ใดก็ต้องได้ผู้นั้นที่ตัวเก็บเป็นเงินอ้นกระบอกรบอกยังใส่ผู้อื่นต่อนาอยู่นี่ไล่หนีไปไหนอยู่น้าแต่ตัวไ่งคอยบอ เสร็แล้วนะโอ้ยสิยอมรับคนง่ยตัชื่อคนจะค่อยได้เด้ร้องูมันมันคงค่ายเด้่ามกุฏีวางสุพยูเอาดื้อเอาคือบได้เด้คนสปอยูนั่สิรับคนหนึ่งสิคนพี่หน้า่ากันพี่วหน้าพอนหน้าคนบ่ได้คนหลับเด้มันทีบอกฟังมันทีสอนฟังบอแั่พ่อสอนได้บอกได้ผู้เฒ่าจังลับได้เด้หลองูมันมันคงง่ายๆเด้บอกขึ้หงไว้ มู่ฮ่อนี nee. ่คนนำคนร้ายแไดงผู <S <S <S <S laufen, ้ดังแหงไปเงียบเปเงียบด้กูเก่งกวนี้เพเพื่อสูหลูกเสียร้ายพราะเพะว่าถนะมีไแค่นีงมีแต่เขาเกว่านดอกไมีเก๋ไปเท่าอาจารย์สัญญาพ่อบ้าลูกกับบ้าเหมือนกัน่าพ่อบ้าลูกกับ้ากันม่ได้ตัวสางราวาลูกยังตัสางได้พราะคนใจเก่า เป็ไปพรอมกันอย่างนี้แต่ตอนนี้พลาดเพะตัวทัขนาดนี้หัวข้าวมันห่อหลายมันพาดว่าหน้าที่ตัวเอาอันเดียวสิ่งหนึ่งเท่านั้นเทานั้นหรืว่าโมฮันโมฮันก็หารลงซะตัวหาลงนปัจจุบันนปัจจุบันนึกทหารลงใช่ใจฟ้องเทศก็ฟ้องใจกับอันเดียวผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ฟ้งเอาใจฟ้องทุกข่าว่ามีใจนั่งิว่าฉันบอก ปฏิบัติเอาใจปฏิบัติผู้บวปฏิบัติกระจายพระฟ้าปฏิบัติผู้บวชเห็นโทษกจพราเห็นโทษเล้นูกวามี่ใจบื่ทั้งนี้แปดมือเงินชีพธรมมาขันดวลลงใจมโนผูิฟังมาตรมามโนเศรษฐามโนปัาทรรทั้งหลายนีใจเป็นใหญ่ทาได้เรื่ยใจอันี้ก็ใจได้ใจสั่โนมผู้หนึ่งจิเป็นมลพระมาเฮียงเพิ่มาเพิ่งได้บัดดีแล้ว มัคนตายไม่เปลนมั่วเปลนว่าผมไม่มีหัวใจว่า้าไว่าสันตมมีตัซ้อนึ่งเราคนไนมัดดีเลยเจอเลยว่าหลวพระกันพระตายสิมัมากผมมีแต่ห่างกับพระเปลีนมีหัวใจยุ่ตัวจังมากเทียนข้าเขาไปอีกวันยายนลกนะครับพว่าคนไหเลี่ยมนี่ได้เจอแล้ว่าไม่เคยตั้ใจตัใจเวทที่ส ไปท่านไปวัดไปว่าอะไรนมันเยรูบตักายบอกว่าไปยังว่าโคตตายมันไปเป็นบอก่ผมโม้ใจบอกว่าไปถ้าเยอะก็เนล่คิดมันหน่ายกายมันเบาเว้ยเป็นบุญเนี่ยขมายุใจให้เบาเลก็มายุใจเ่ยหลวงปู่มหาหลวงปู่มันเห็ดบุญนี้ยังไม่มาปวดดอกเพื่อติดใจหนาโคติีหายยนี่ย ยอมคนนั้นมาสร้างย้มคนนี้มาสร้างหนว่ม ก, ก็ถือก็กระทรวงคนแต่ว่าขอกไถ่ขอบมันมันกะระเดนเขาตัวตัวเขียนไปตายที่ยังเห็นตัวบทบ้าฮเฮ็ดบาบบทห้าฮเฮ็ดบาบสมบูเขีนยนเทนน่าภาควยคนทั้งหมดคือได้แด็ดตีครอบทีกองมั่นนี่จึงมันบมากรลบผู้มหาลบผู้มันที่ใคข้าวเย็นลบผู้มันตีละครั้งพวกปวาตาบมี่ ๋ยวนี้มันได้ตีมันย่ไก่คนพลังบางบวนบานสนักจังหวะไปสวรรค์นี่พลานคือใคตีละขั่งมาสัจจะเป็นว่าแล้วถ้าไปเหตุบาปบุเหตุพิตีคองตีกองให้ไว้สันให้บอกของสันเลยย่าผมไปทางัานก็ถึงจังสัจจะเพราะว่าตีตายที่ยังไันบอกของสันเลยถ้าในวัดเปิกรอกเปช่องอย่างนเห็ด้างหลังนี่แะสกิบไม่เห็นแล้วสกิบประวัดลงพ่วัตบ้านหลง ที่ดิ น, น, ด น, น, น, นบบใ้ไกับ่พอไอ้เตรกรคนช่วยขอ ง, งปูน้องเามันวัดงบแะเบไปเห็ดไก่ไป็ได้ต้อก็บวัดสงบน้องเยืงอรองปูมันมันมัมีกุฏิดีจริงสิด อ, อกอกุก้งควายกุฏิเห็ดหูจริงสินี่ฟ้าเห็ดตองเห็ดหูทบล ง, ง, งมานีา น, านี่เห็ดหูทบลงมานีก็รมารรมฟ้าเห็ดตองเห็ดหูอันนี้เห็ดใหม่ค้อนใช่ไหมวัดจะไปเปิดกุสีกับ งนกทูดโยบรสงกนี่คอยกูดกรคอยกูดตกปรกูตีมันอยู่ใกล้กันดิอีพอยอยคนนี้ท่านผู้ใดตื่นสามารถท่นเสียงม้วนปากโจรอยากจะพูดบบอกตัวหลายตัวลุงปูหมาให้กันเนี่มันมันง่ายๆเลยหยาบเล็บตัวนี้เลยจีงเม่ไหองนึงก่น ว่าม well, yep. ้วนด้เลยย่น oh! ้ำหลวงปู่มหากับหลวงปู่บ้านเนี่ยหวงนั่งไปเปิดนังอยู่เป็นอกนลินังอยู่พอเดียวแ่ไมแทบเป็นลกปู่มหาผมว่าจบที่ทั้งหลังมาถึงห้าล้วโอ้ยจะมาไปิดพี่บ้าบอสนักปฏิบัติมห้าของสันนักสั่นนี้โอ้ยตื่นด้แล้วท่านนี้ม้วนไปแทอยู่น้ำหลวงปู่มหานี่ น้ำเรื <autre Shiva> ่น้ำลวบุญญ์หมันขมวนมวนไปยังไปใายไปเที่ยวปีนี่กลับขึ้นมาถามพ่อมาหน้าว่าอะไรควบโมหายอยู่น้ำเน่มาเป็นมูกินมูกขี่กันได้สือสตัวลพบุญญใหม่ไปไนในยื่นข่าวว่าเขาที่ทาบุญมาไหนล่ะแว่ไปแหวะไปพ่อยเขาเนีนี้ม่นไปกินกล้วยร่ำเข้าว่าท่นก๊อขึ้นมาว่าตัวไปวิเวกสะทศไปหาที่แตกไปหาที่บุว่าท่นเป็นว่ามาตัวผู้เท่าตัวเรี๋ยท่านทางตัตัวละคามาว่าท่น ถามพาวานะ่ว่าหน้าบ่ได้ควบมือบ่าหายอยูน่นางตัวมันคงคอยบอกล้มปลุมมันห้องจะเป็นบ่วงหนังสือมาวอาให้ยคว้างคนกับหจักห้าสิบไปเอาความผู้อื่นมาเป็นควมโตคนกับหจักมันเกิดใน่มันบ่หรือมันเอาควมผู้อื่นมาว่าเป็นนาห้องมันหสือ็นหูจักเพิ่อพิจารณาบา่เดียวายมาคู่เลยล้ปลุมันนคงง่าแนี้ไมาม่งงนะมมาด้ทังหคะ่ะแนว ท, ทนําเอกท่านทูมแปดประโยคเก้าประโยคเอาไว้เขียนพุ่งมา ผมพูดถึงมากสูงก็ผู้สาวเสีเนบอกว่ามาห้ามาเหรผู้าวไรคันไรนี่เสยอาปากจ้องฟองลุ้เนผู้านั่งรับกาอยู่ยนผู้สาวได้เฮียนี่ยังร้ายดอกนว่านักทเอ็กครมหนึ่งมาอยู่นักนําเงินีมือนีแล้วฝ้าองนาเพิ่งกับบอน้าเองนามลงบมีเิจังว่านเอ็กเสนเอกตาเดียวน คนว่าือกตาเดียวเว้ยเว้ยสันจังว่าฟ้าฟ้าที่ยังนัําบ่มีเป็นอาบัตทุกดแมนบอกนุ่งอี๋ยังมก็เข้าไปเว้ยสันตัวมายุนี่เลยซี่ห้ามือเลยเว้าสันขมันบ่มีตัวไปยังยังบ่มาปิดว้ยสันกุดดีไปกุดวางเลยเวยสันเขาดีไปจะโดดเหรอเนี่ยทาเอกเอกตาเดียวเนี่ยคนนุ่งคนนั่งมันบกคาตาดอกสันเว่ามันหมหหัวหลดว้ยัน งเงี้ยยังหงายมข้อตาบเวณงลโอ้ยสันยกกลงขมิบสันยกปวดปวดไดวังหียังอยู่ไรเนี่ยเหตเท่ายังแห้งเนี่ไม่อุบายเลยหลวงูมันเล็กดีเน่ยฟอนคอยกับข้ตามคอยฟันแห้งกับข้อตามตามแห้งเล็กบ่ดีเนี่ยฟอนคอยกับเบื่อฟันแห้งกับเบื่อ เนเกกดเต่าซุปแย่ไหนกับบวก้นซุปแย่ไมกับวกลื้นครมเขาป้าเพิ่งมาเพิ่มาเทกคอยก็บปเรื่องของเพิ่นเทกแท้งกบเป็น iki, i, hm e. เร an, Michelle, ja <the> ื่องของเพิ่นลงผูหมาลงผู้มาหาสื่อการันที่สั่นก็ไหวคนน่อยที่ันก็ไหวคนน่อย้องควาคาเาออกค่าว่าพูดแล้เป็นโจมสั่นรืมัอยู่น้เพิ่นหรนูจักดแ้เป็นโจมหรือเพิ่นเพิ่นคนหูจักรวดอ้เพิ่นเพิ่นพินหูจักรวดว่าจะเลิญหรือพูไรกันรายทนนี้นะว่าอุ้ย ธรรมดาช่างเล็กเขาเอาเล็กว่ากองกิจเพ่ไนไม่น่าเตาเลยหนึงสองสามมือเขาก็ไม่จอบเอาว่าตีเขามันกระบะตีไวนเมื่อมันนานที่เล็กสิบตะปูกไว้สิเล็กเล็กหนิว่ า, ส, าสิบตะปูกช<ฮ>่างเขาส<ม>ิเขาคนหน่อยแดงเลยเอยนี่ตีขน่อยแหงเลยเอว่มมามนานที่สิบตูกไว้ตีแหงทีคอยมันข้นอยู่กมมับจางหนะเนี่ยหนะวงกองไว้จิงเพ่นตีตีไว ดวงไหนมันพ่อจะเป็นผ้าไปมีดเว้ยสันดวงหน่็่าเป็นผ้าเป็นมด่ ว, ด ว, งมดวงทิ่มท่อวโันเป็นได้กดเดาันเหรก็สันีนบมีบาดแล้ว่ยน่้ น, นี่ล่ น, นแช่นาเนี่ยเากได้เล่นแบแทบแบแทบแบแทบแขึ้นมาเนี่เวสันไล่นีเว้าสันของอมังามหลายหลายประการนัน สมเด้จทบบาลรมราชแรงกับบงงามอาตีสูแรงกับบางงามพูดยิงแรนกับบงามสร้างพระที่นั่งแรงกับบางามธรรมะแรงกับบางงามเรเห็นนางวิสาขาบอกพวกนีท่านอนมูนี่พวกจกว่าพวกกรุงงามไหนบุ๊กนงวิสาขาบอกนางวิสาขาโบราณคนต้อข้ามมาใกบแรงแลงไปต่อเยียมยังเสียได้ไม่เสียนางวิสาขาโบรา น่มีสขาขาในพระโสดาบันดนี่ยพุ่มพระโสดาบันพูดได้จากไดก็เอาโลดไม่ยากด้หรือนี่สิ้นหาบริบูรณ์จ้ามาหาได้พภามาหน้่า ย, ยากหรอกเห็นโทษในการละเมิดลวงสิ้นหาถึงองพุทธพระธรรมประสงค์อย่างเตมที่ว่าออกศาสนาอื่นมาปนเปบบย์เอบไปยังมุกทุกประเภทศทยเว้ อวัยยมุกพูดได้ว่าภายได้แน่เด็ดนี่ยูเขาบอมีได้ทั้งข้านอวายยมุกบอมีได้มีแต่มันข้านอยู่นะใส่ตัรอดซะธนาครานมันข้านี่ยมันล่มอยู่น่ะเสอนี่ออยเขา่ากมาแย่งเสมอนี่เพราะอบายยมุกมันทุกชุกในโลกเด็ดประเทศละเทีย่ยอขายซิปนาวุตรประเทศมีเตกาขายซิปนาบุตรเมื่อมันขายเมตดด า, าคารูนาขันค่าขายเครื่องปะหาญค้าขายมนุษย์ ฆ่าขายสัตว์เป็นเลื้อเลื่อยสัตว์ที่ตัวฆ่าพอเป็นอาหารค่าขายนำ้ำเมาค่าขายยาพิษการค่าขายหายอย่างนี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกไม่ให้ประกอบโดยสมบัติของชาวโลก5ประการประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีศีลบริสุทธิ์คือชิ้น้าไม่ถือมุงคนตื่นขา่าวผู้เชื่อคำไม่เชื่อมงกุลไม่แสวงหาเกณฑ์ บ, บุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติ5ประการและเล่นจากวิบัติ5ประการซึ่งวิปริสนาสมบัตินั้นซึ่งตรงกันข้ามนักพธเจา อ๋ามีเส้นหาบริบูรณ์เลยกุญแจเฮ็ดไว้หิ้งกัาปัญเฮ็ดไว้หิ้งย่ำสี่เฮ็ดไว้หิ้งทหารกับบตัตรมีตํารวจกับโบมีบตัตงมีคุกกับบตัตงมีตารางกับบตัตงมีข้ามีซุมิีใช้จานไปน้าดูกไปผัวไปเมียไปก็ไ่ได้ละแวกกันสีสบายนี้สันเท่านีร่เว้นซุ้มหนิระงับไปเว้นซุมมีนิสมันวุ่นกันเยอะเสมอ มือสนองมึอมึงสนองกูยิงมือชาวบ้านพูดเท็จ<ม>เห็นกับว่าเห็นใครบเห็นกับว่าบเห็นกับว่าเสียเวลาท้งผูู่แลวผู้ฟ่าเผื่อปฏิัติจมทุนกับววพวกนู้าเมียเยะจะต้อกินจะต้กินมันกับเมาเหรอขอแห้งเหะอแลว่าเติมเอาอีกเ้อันอานขเฮ็ดเฮ็ดยาอันเฮ็ดเหล่าจังห ว, วัดนึงจังหวัดหนึ่งมืดไร้ตัง เอามาเลี้ยงคนพอดี่านั้นบ่กินเหล้าแล้วมันอาารรพ์เหรก็พี่ว่าอาถรรพนะวันเหรอมันจิตสู่คนเราคว่ำเราครอบอาทรรได้บ่พวกตำรวจทหารกินเหล้าเมาแลยปุ๊บี่เครื่องบินตามผู้เขาผู้เคียวมันพวกมั่งเมาหดเนี่ยสู้ผู้อันดีๆได้บ่เราอุตส่าห์วับรถขัเลือมันตายเงือนพวกที้เมาเนี่ยตัวคนดีๆเพร่ะใพลาดไปไหนได้เ็มั่เราก็ต้องมั่นอะไเน้นั่น เียเทานั้กฎหมายก้นหมูกับประองตั้งหลาย ม, มันแม่องเท่านั้นมาตาเท่านี้มาตายทองไปตายยันกระโดดทำเป็นคคบโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างคนละอายต่อบาดความกลัวต่อบาเท่านั้นจะคุ้มครองลงได้ถ้าไม่ละอายต่อบาดไม่ความกลัวต่อบากฎหมายก้หมู ก, ก้ทพักก้นพวกก็ตั้มาอยู่ถ้าทําความผิดในที่แจ้งไม่ได้ก็ทําในที่รับคนถือว่ามีบาไม่บุญยางน้ำคนกันกับผไ้วัยไกลได้เข่าให้เทียบขะนองมากเลย มวมขอกีเรีนนีเอาวีเรยหกตีงว่าด้ที่บ้านก็เอาไม่เสียบข้อในเสนประตายคนตัวเจ็บคนเอามือสวนขาเอามือสวนขอเส้นกีเรียนไ่ดีก็ตีงในห้องั่นนนี่น้อกันเป็วไวใจเล้วะท่านเชียรคือขาน้อยมากอ่ะมานรักบีประค่าล้าตายซะเออจีว่าเลยเขาก็จะขันข้อตายซะถามว่าไรตายใช่มจีว่าใชรไหม แ บ, บปืนไป้อการนั่งสิห้องอกก้อนหรือเขาแบบปื น, น้องกดนังสิห้องออกก้อนเขาห้องไม่มีปืนตัางนี้เาถือไม่ถึงถ้าว่าปืนลั่นใช่ก็ได้เพรถถาะว่าตัวมีบ า, าไ ม, บม่มีปืนแม่นว่ทางเพื่อจะโทษเบานันเพื่อนบร้วาลูกระเบิดปรมาโน้ตุนครปกครองลกูกนี่เขียนี้ขัว้วอย่างบริวาได้บบค ว, วบอาตาบากวบกลัวตาบาสั่งสิปกครองลูกอยู่ สมมติเ่าอายตบ่าทพกลัวตบบาพวกคอบหลูกโวอยู่กฎหม า, ปปายจะสร้างแบบปอนจะสร้างเถอะไม่อยู่ในของพระพุทธเจ้าวิธีตัดสินไม่ไา้แน่ตัดสินตามท่านตามนม่ไเนี่นหนึ่งเอาตามห้องของคนมากเป็นประมาณเนี่ยหนึ่งคนมากคท่า น, นั้นมันเปลนสินเปลี่นธรรมเพิ่งกระบอกออกมันจตัดสินยวิธีใดก็เอาธรเป็นเครื่องวัด ข้าพระพุทธเจ้าเย่พุยสิกระรับสินเอาตามคำของคนมากเป็นประมาณให้คะแนนเสียงเอาตามคำของคนมากเป็นประมาณคนมากาาทุนนันติเลื่อนจตุภัตปีรกกระชับข้าพราะองค์เจ้ า, อจาบอกอากมาห้าอันนี้ว่าอะไคะแนนจะจ้างเอา แ, นะแอม่ในใหรอหลวงพ่าไมนได้แจ้งก็แก่ตรโลดขุณก็โพลหัวและขาเต็มโลกขึ้นถึงก็ขหาจะหน่อยได้แท่งหนะ่ะฝุ่นว่าใส่ผงอนามานอยู่ในโลกมเยันบอก คำสอนใดๆในใยโลกธาตุเป็นเมื่อขึ้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อือผู้ใดถือศาสนาผู้หนังเคผู้หนังเมื่อทนทางเพราะว่นนาิสหตอกเออบ๊วยสลาดทอเพื่อนพราโพธิสัตว้นจ่าบ อ, อ, อ, อ, บอดอวดดีเงยกลนเข็มมีคันขากจาแบกคนง่าง คนแต่ฟังันดีเงี้ยคนเขียนคนไปเที่ยวเป้าให้ผู้อื่นเรียมซ้ายเื่งไปเที่ยวกวดต้อนด้บ่ลกวดต้อนเห้่ยจคนโง่คนสลาดเขาหัวละภาวนามมแต่ท่านไม่มีศีลอนุสัญมมแต่ศีลไม่มีท่าน ถ้ามีส า, า, า, ออาติพมาเป็นคนอจักมีเจ้าชิงก็พานหันาวา้ามามีหัเน่เขามายกไปยังกับไปบดเขามยายกไปไหว้ชีมากัไปก็เห็นมพูดจะกอดพูดจะกอดเลยพวกคนถือผีถือแางมันไปหันเน่พวกคนทั้งทงเขาว่าเอาถาวายง่ายเพื่ออะไท่า เอาขีห์ินขีพระตะก้อหันขึ้นบ่จักเทไรเทไรนะเพราะตัวจังไม่ก็ไปเว้นเว้นเ่ื่อพ่อหน้ายังมีทั้งข้าทังสินทั้งภาวนาจังระงับได้กิเลสก็มีสามโลกโกรธหลงศิลสมาธิปัญญาสามเพราะจะสู้โลครกคับกันชนะกันกัชนะกัญยูเมื่อใจแพร่กับแพร่ยี่นี้ถึงแพรทก่เลสกับแพร่ยี่นี้ถึงชนะปัญญาย่นีต่อสู้กับต่อสู้กันยุ่เมือใไ่ได้สู้ยู่เมื่องอื่นได้ยัง อันพูดผู้เดืดใช่ไหมผู้พูประสงค์มันมันมันมันกิเลสมันห้อยจมูกได้คือค่อยตึกคือค่อยตะใต้เขาห้อยจมูกรามบอยู่กิเลสมันมันคืนจริงเหมอนละมันยึดเดิมเหมือนหละมันมันอ่อนเมืองไก่พรแห้งเลยชนะขันชนะอันเรือเมืองไก่เนี่ยต่อสู้กันต่อสู้กันเมืองไก่เนี่ย พรุธศาสนาก็ยุ่เมืองไก่เ น, นีน่ยค้นพลาดยุ่เมืองไก่เนี่ยนอกศาสนาก็ยุ่เมืองไก่เมันอ้อมใจอยู่ซกกะซกหันต้อยก็ต่อยกันหาะในเมืองไก่เนียนะกัชนะกันนี่ก็แพ้กับแพ้พพพนันนี้แหละมันถือแพร่ามาลาสาลับว์และภมิหมู่หอกมันเิยแก้เจ็บตายยู่เนี่ยใ้ว่าตายสงารก็พอาถึงแพร่ที่เด็ดนะ<น>ถ้าบุนแล้วไปยุ่ไกลท้าบาวแล้วก็ไปยุ่ไกล บุญท่านบุญศินบุญพ่อวานาม่นาที่เทากิเห็ุเห็ุไกเหาเนี่บุเหตุไก่ผู้อื่นเห็ุไ่กินไก่เนี่ยขันบุญพ่อแล้วไปดึงขาไว้กับบ่คักเข่าสู้พระธีพ่างเลยที่ว่าพระหักฐานยู่เนื้อบุญเนือบาปมเนือยู่บุญกระซังพ่อแล้วบาปกรละพ่อแล้วกเนื้อแล้วอนนี้บุญห้องก็ยังพ่นพ่อบาปพ่อกละบ่ท่นพ่อท่านศิลป์พ่อวานาห้องก็เหตุบ่ทานพ่อบาปพ่อกรละบ่ทานพ่อห้องกัจุดเป็นพ่อหลักฐานยังไงว่าง ทหาท่านเปรียบเหมือนมืนน่านเต็มไหาเอาประเทศไทยแสดงมก็ร่นทีมซ็คือเหตุที่รับน้ไมาก็ะบอกีผลที่รับน้ำากระบอกีจังหวะพรอรหันอยู่เนื้อเหตุอยู่ผลไหเหตุใจที่ทำดีก็เก่ากรบอกนีผลใจที่ได้รับดีก็เก่าก็ะบอกนีมันเต็มแล้วจังว่าอยู่เนื้อบาปเนื้อบุญไหมบาปละพ่อเลยเต็มใจพ่อแห้งละเต็มพ่อแห้งแล้วบุญกระซังเต็มพ่อแห้งแล้วนะเห็นไหมจังหวะอยู่เนื้อบาปเนื้อบุญไหมนี่เข้ามาท่านไหน บุญพันธุมีจังเมียทีักทายอยู่แนวบานเนีบุญล้บห่อยมันกระเดียงโลอะไรอบ า, านรูว่าคือมีเงินสองสต่างทักท า, ทาไปเสียทีเนี้ยเขาหนึ่งบวชจักบวตายอยู่เมืองอุดรทให้เงินแพร่นี่แหละทำไมเงิแพร่มีเงินอยู่สามสี่บาทท่านไปเอาเงินอัดไพ่กันตะเก้านั่น อัดตะเก ا ามูตโตท่านเห็นบมดเออเอาไปไว้ทั้งหนาเลี้ยนแอวฮะเนี่ยเขาวางเงื่อนตัวรายฮะเนี่ยเอาไปไปว้วไปไปทัางหลังเอาเงื่อนจ้าีบานไปไว้ทั้ไปไปไปทงหนาเนี่ยนหะพ่เจ้าเขาตายเขาจะพ้นหัวว่าท่านทูนึงวะยุ่ห้องเนี่ยเพราะมันจะมาร้ายก็ท่านไปพ่อหน้าล่งด่างบุดเนี่ยท่นจะขอไปคือพระบุคลาดีรถจะประดักใจท่าใจเขาเลยจะขอไป ขยับแพ่นดินเรียงโรดมันอยากหลายกวดก็เห็หนว่านอุปมาคือดำหน้าดำต้นนี่เนี่ยผลักได้เต็มเล่าเต็มเนื้อผลมันกับอะไรแล้วภาวานาะมันจะมีเครื่องรู้ได้วันเวลาเสียไปฝดตกอยู่บนเท้าแผ่น <c oughs> ดินกระซุ่มอยู่ นั่นนคือกัรได้บุญน <It 's S 1> ั water, ้นนีได้บุญอันนี้มันก็หลายข้าหลายข้วเนี่ยบุญให้ท่าได้บุญรักษาศีลด้บุญพ่อมาหน้าด้บุญปัดบนขวดเนี่บุญไหว้พระเนี่อันนั้นก็บุญอันนี้ก็บุญมันก็หลายข้อสันติเนี่ยพวกเฮ็ดบาเพืบาปนันเดียบาปนนี้เดียเฮ็ดบุญคู่อายุเฮ็ดบาคู่อายุพวกเฮ็ดบาพเฮ็ดบาสรงอายุพวกเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญสองอายุทำบุญสองอายุพระเพื่อทำบาปมันก็สองอายุตายขึ้นกันนะต้องอก ธรมบุญมันเกิดเพราะว่าสิดอกวันไหนมันเกิดยุ่สวนตัวเห็ดมือไหนกับธรรมบุญมันเกิดยู่งส่วนมือตัวเหมาทังกลรลมัดเพราะเป็นจริงมันสลองนี่ในตัวล่ะเ้ามืนตามันก็สะลองเห็นฮวงนี่ถ้าล็อตามันก็สะลองมืดนี่มันก็ควยู่เก่าค่ะเนี่ยเดี๋ได้สอนรถปูมันทังวันนี้ย่มทั้งสลองสลองสาระเวรามีในรกปูมันเอากลนสะลองมันไม่สัตวเพื่อว่า แต่ถ้ามุลละเที่ยเขาสั่งไปมาเมนเลี้ยวถ้ามุนละเทียโดินกบพ่อข้าหน้ามุนเป็นถ้ามุนละเทียบอกผู้ตอบผู้หลงแล้วลมันขึ้นเ้างบนแล้วลมมลงเ้า่ลงแล้วลมในช่องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกพิจาณาการนี่ให้เห็นเปลี่ยนตะเพียงพระธาตุสีคือดินน้ำไฟลงมาชมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นตะเพียงธาตุกรรมฐานเท่านั้นพิจารณาการเป็นอารมณ์ว่า กายก็สักว่าการไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายานุปัสนาเท่านั้นจารณาเวทนาทุกทุกและไม่สุขไม่ทุกข์เลอเบคลาก็เป็นแต่สภาวะเวทนาไม่ใช่นบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนานุปัสนาพิจารณาใจที่สร้างหมองหรือของแผ่วเป็นอารมณ์ว่าใจนี้ก็สักว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกิตานุปัสนาเท่านั้นพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่มันเกิดกับใจเป็นอารมณว่าธรรมนี้ก็สักว่าธรรมเป็นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุปัสนาเท่านั้น มี่พวกผู้ปิกานาคิดถึงผู้นันแบบผิ้าน่าความล่มหายแก่เขาออกเป็นได้สักว่าลูกเป็นได้สักว่าเห็นบ่มันสัดว่มันมุกขนผู้ลูกก็ทอนุ่งขึ้นหาผู้ลูกทาสันสูงเป็นได้สักว่ารูเป็นได้สักว่าเห็นเป็นได้สักว่าทุกเป็นได้สักว่าทุกเป็นได้สักว่าปกขาบอมันสัดว่ามันมุกข้นคนนี้เพื่นที่หาอุบายอนอุปทานเนี่ยท่ห้วินญาตปฏิสนติปฏิทิอยู่ออดีตนากปจุบทาสันสูงพระพุทธเจ้ายืนยันนะ เข้าไเจ้าลูกอดีตตามเป็นจริงของอดีตเข้าไปเจ้าลูกอนาคตตามเป็นจริงของอนาคตเข้าไปเจ้าลูกปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่เข้าไเจ้าไม่ติดอยู่หนึ่งยนทั้งสาเข้าไปเจ้าลูกพรนิพพานตามเป็นจริงของพระนิพพานเข้าไปเจ้าไม่ติดอยู่ในพระนิพพานเข้าไเจ้าลูกสังขานตามเป็นจริงของสังขานเข้าไเจ้าอยู่ในติดไม่ติดอยู่ในสังขารในฉะนั้นมาณะทิฏฐิของข้าพเจ้าจึงมานี้วิญญาณติฏฐิของข้าพเจ้าจึงม่มีไม่อยู่ในปัจจุบันอดีตอนาคตด้วยแต่อาศัยปัจจุบันนนนนนนเเเเเเปป็็็คครืื่อองงดดํําาาาิิกกม ปัจจุบันในคิดปัจจุบันธรรมน่ะเป็นุามาเพปัจจุบันในคิดที่ไม่ศีลไมีสมาธิไมีปัญญาคงกืดการย่หาบริกรรมพุทโธพุทโธพ่องอุลลุมให้แก่ทอมทมุโมุทมุทกับสังข์โคกอยู่วกันเถอะนอยู่บนอื่ น, น, อ, น, นอันนี้นิดนมอ ย, ยปฏิศแสเดือนแสงแดาวแสงพระ อ, อาทิตย์จะปฏิิศ เห็นกัเป็นที่ทราบว่าเห็นนี่ยมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แปลตัวแล้วแต่สลายหมดผู้ละก้นพ่อหน้าไปผู้ท้อผู้ท้อผู้ทไปแต่มันฮืงออกมันเบ่ากายมันก็ฮ่งออกมันบริกรรมพ่อหน้าผู้ท้อจะรีบมันก็ลุกขุ้นเมื่อเราฮืงออกมันจี้กะเบ่ามันฮ่งออกมันไปเห็นสายสอดมันในว่างนึงเรียมเพาะเพราะเพาะเรียมเดเมื่อว่าที่เอาแล้วบาดี่เอากกรรมแล้วบาด ยึดกระปุนออกเอามาบ่ายเมึงกำมาสตร์ทำล้มขออหนึงวันนี้มิดทำสนั่นจะทำละเอียดเท่าไรเหมือนกันอุปจารสมาธิสนั่นหอมเินโดยาการสุขอุปจารสมาธิไอมื่อี้เปลี่ยนมาหมดแล้วเปลี่ยนเป็นได้ภาทาสี่เหลี่ยมสมาธิแบบนึงเข้าไปแล้วหงบนี้นิดนิดอันช้อยมดกำลังกระพอนออกมาเมือกันอยู่บังเวิร์มเลยาเยี่ยมกายก็ะพปอตกฏเห็น นี่แต่พูดโกรธเลยซึ่ออันนี้โมกโกเห็นคือยุท ก, กากอากาศมัดกำลังถอนออกมาทุกันพวกนี้ยุตแต่อันนี้อันนี้จังขัตายข้าหันก็ไปเกิดพพมโรคขึ้นกันย่อมท่านมีคนของท่านอโลได้ห่างดีก็ระเห็ได้หรือดีก็ไปมรหกท่อหน้าเขายาสุปไปยุ่งซื้อมีอาหารของคิบของไก่ถอยมันน้มสีรับ ข้าวจ็บปุงกับหอื้นกุเฮ็ดอันนั้นหมูอื้นกุฎเฮ็ดอันนี้มันหวาอมหมูอื้นมันก็เฮ็ดไม่ได้รอพ่อว่าน่าหันมันหอมหมูอื้นมันทั้งเฮ็ดดอกีก็นอนคื้ว่าคือข้อยซึ่งถือว่าหากิ๋งยาตะกออพระกระบอกขี้ข้อยตะเกว่านอนอยงบุ๋มลดคุณบุปผาธรรมาระสงค์กาบซ้ำเทีาสันกระดูกกระเจ็บปูกระโพดดอกพอไปฟังล่วมาถึงจงลุกจุลล้อมจุลนั้นเป็นล้ำล้ำพระเนียนกคือกันกัม นี่เเกลองเสงคองเขายดอนยึงยิงกูในวัดไปมันเป็้นี่ฮะจิตใจกันนบมือตั้มือยอมลงที่เข้าเข้าเ้าพ่อวอน่าอยู่เสมอจิตใจเข้าว่าไทยวิวเสมอเลยี่มันสูนขึ้นเอยได้เยอีพอไอแมวไอ้คือเข้าบิดกปอนี่เข้าบิดกยูซือหรือกระย่าไปเลยนี่ขนทุกข์ยูซือมือมันก็ะซุ่อยู่เลยได้เส้นดินอะโมหงอด้ คนยังเทียบเ่ว่าผ่าชนะต่างยุคกลางแก่เดดแดดหมายความว่าความเทียงึงหึงน้ยดลงมาใส่หึงหึงน้ยดลงมาใส่มันก็บ่กสามารถทีเก็บได้เพราะมันแดดเพราะมันฮอนฉะนั้นคือกัรคนเพื่อน้องพ่อคือแดดมันจะฮอตที่อีกทีเม่อไงนี่ยถ้าก็อดสู ทำสมาทานบางอย่างให้ทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นนิบาสต่อไปให้ทุกข์ในปัจจุบันคืออย่างไหนอดเข่าอดหน้าทําการทํางานอดเข่าอดน้ารักษาศีลภาวนาโดยงกลมให้ทุกข์จะมีทุกข์เป็นนิบาสต่อไปทําสมาทานบางอย่างให้ทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นนิบาสต่อไปเขาสักซ้วนเข้าไปและทำคนคิด เขาบกข้าใจไปห้องเลยแต่ว่าอยานอำนาจราชนาของเขาก็ไล้อยู่แตไปนเนิ่มเขาเลยเป็นทุกข์ใจตายไปแล้วก็ไปทุกข์อีกทุกั์หนึ่งทำสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบันแล้วมีทุกข์ตอนบาาี้ต่อไปคือกินเหลออ่าเง้ายาน่ถือว่ามันเป็นทุกข์ <c oughs> บัดตายไปพุ่นมันไปต๊มาหกข่าเนี่ยเขาสั่นว่า ทำสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบันและมีสุขในบาปต่อไปคือการปฏิบัติพระพุทธธรรมพระสงค์ก็ถือว่าถึงความสบายก็ถือว่าถงความง่ายปฏิบัติพุทธศาสนาในตรหนักอดก็เป็นสุขทสมาท่านส่ทักศนาวิสุทธิสิทักศนาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่ใช่ฝ่ายปฏิฆาหกทักศนาบางอย่าง ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายไปฏิคแต่บริสุทธิ์ฝ่ายท้ายกทักษิณาบางอย่างไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายทักษิณาบางอย่างบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายก้าดีก็น้าบอดีใครเน่หน้าบอดีก้าดีก็บใครเน่ก้าก็บอดีหน้าก็บอดีแต่ได้ผลยังไดก้าก็ดีหน้าก็ดีแค่นี้ก็ได้ผลร้ายมันเป็นยังว่า พันใจห้าวใช่แล้วแต่ท่านใช้มันก็ไดเวทนะเขาเผยว่างสัตว์พจห้าวใแล้วไปดำหน้าใช้ก็ไดเวทไปดำไช้หินด่านมงรู้เจ้าแม่ม่สัตว์ที่ว่าของสัตว์ใจห้าวใชแล้วเอาไม้แอนดี้มาเหยียดเื้ามันกระมันเวทเนีว่าเขาสัตวบอเอามาพอยมางรู้ตวกเอาัวมืเห็ดเามันข้อใเอามาพอยงรู้ไปชี้มันหางเลย นออนคนเดียวเขออกแพร่กันคุณละคนเขียบเห็นเขาไปท่านวันหันวันนี้เขียบตายยังไหนเขามากักวันไหนเขา ก, ก็ไปเห็นตัวต่างบอกว่าได้ต่างโคตรไหวเขาสั่นหน้าเขาบอกวัาเดียวกันเขามากักวันไหนเขา ก, ก็ไปเห็นตัวเขาอยากไานหนวันไหน ฟังทำตามการตามเวลากาเลยธรรมชาติฉาเอตมังขะมดตมังสนใจในทำชนะความสนใจทั้งพวงในโลกสนใจในทำชนะความสนใจในโลกยินดีในทำชนะความยินดีในโลกทั้งพวงทําในที่มีไม้คว่ำแลาวทำขาวกุสนใจทำว่าในไม้คว่ำมาทําดำทำมาทำแบ่งออกเป็นสองทำดาก็มีทํำขาวก็มีกรรมกับแบ่งออกเป็นสอง กรรมที่ทาเป็นบาปก็มีกรรมที่ทาเป็นบุญก็มีพระธรมเทศนาปฏิบุรปยตุกุภุริเกจีสุทธิเอาใคสงสัยอย่างฮิเว่าเนี่ยมึงไล่ะสงสัยพ่อหน้ากสามารถเกิยนว่าวหาาหัรลงใส่ใจกับของเกิดนึกว่าวูหากจะหานลงกันซะ นั่นลงในธาตในชินในภาวนาในสมาธิ่ะสมาธิแปลว่าควบจังมันเนี่ยจังมันไวในใน้ในธานในชินในภาวนาจังมันไว้ในพระพุทธรัตนประทุ